ถ้าสมมติว่าคนที่รักตัวเองมากมเลยนะก็เอาตัวเองนั่นแหละมาทําปริญญาให้มากถ้ารักผู้อื่นมากก็ต้องเอาผู้อื่นนั่นแหละมาทําปริญญาให้มากเนี่ยนะคือทำให้เห็นแคบเข้ามาครับคือพูดถ้าทำให้เราเห็นแคบเข้ามาถ้าจเจริญวิปัสสนาชั้นสูงไปแล้วจะเหลือยิ่งเหลือแคบลงแคบลงแคบลงเพราะอะไรเพราะว่าจะเริ่มเอาไอ้ของที่มันสําคัญที่สุดเลยนะถ้าเปรียบเทียบนะมันเหมือนอย่างว่านักเดินทางไกลอ่ะหรือพระพิสุไปทุดงไปแล้วกัน ตอนแรกเนะี่ยบริคารเต็มไปหมดเลยนะหอบพรุงพรังไปหมดแลนะ้วพอไปสักกิโลหนึ่งนะเริ่มแนละ้วไอ้นั่นเริ่มไม่มีค่าแล้วนะแต่ตอนที่ตอนที่ออกเดินทางมันมีค่าทุกชิ้นแหละแต่พอแบกไปหลายๆกิโลเข้าอันนั้นก็ไม่ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีเริ่มปลดไปเรื่อย ๆ, ๆมียูรูปหนึ่งแม้แต่ฝาบาดยังไม่เอาขาบาดปลดทิ้งไปแต่งนานนะ นัหนักเข้าเหลือแต่บาทใบเดียวแล้วฝาเขาไม่เอาอะไรก็ไม่เอาผ้าก็พอแต่เนี้ยนุ่งห่มพอใช้ได้แล้วคือถ้าเดินไกลๆเลยเนี่ยนะเดินแบบค่อนข้างรีบหน่อยนะอ่าลักษณะเดินทางจริงๆเลยเนะมันจะเริ่มปลดทิ้งละอะไรที่ไม่สําคัญเนี่ยในที่สุดจะเหลือของสําคัญอยู่ไม่กี่ชิน้นมันพอไปถึงตอนท้ายนี่ ย, ยังปลดได้อีกก็แสดงว่านั่นแหละเขาเขาห่วงเขาติดมานานละสิ่งนั้นเขายังปลดได้จะกล่าวไปยายถึงสิ่งอื่นๆนเนี่ยนะ คือตอนเรียนแรกๆนะครับบอกว่ า, วาทุกขสัตย์จะต้องถ้าได้แก่อุปาทานอาคารท่าจะต้องมาทําปริญญาใช่ไหมครับในจิตนั้นเราถ้าเราไม่ได้เรียนลงมาในรายละเอียดนี่นะครับก็ในทุกขสัตย์นี่นรหรืออุปาทานอาคารทจิตต่อแปดเนี่ยเจตสิกห้บสองอะไรเง้ยันนี้เรียกว่าเรียนแบบแบบหลักวิชานีนะซึ่งแม้กระทั่งรูปประขันที่เราติดนะเราบอกว่าติดร่างกายถามว่าร่างกายนะเราติดอยู่ไม่กี่ตําแหน่งหรอก โดยที่สุดในร่างกายเรานะสมมติถ้าเราติดร่างกายภายในเราเนี่ยบางคนเนี่ยติดอะไรมากอ่ะก็ไล่ไปบางคนติดเรื่องทรงผมเนี่ยเป็นพิเศษเลยมีนักการเมืองอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้เจ้านี้นะไม่สนใจอย่างอื่นสนใจเรื่องฟันอย่างเดียวเขาบอกว่าตรวจสุขภาพไม่สนใจนะคะแต่หมอฟันอย่างเงาเป็นนักการเมืองผู้ใหญ่มากด้วย เขบอกว่าให้ความสําคัญเรื่องฟันอยู่เรื่องเดียวว่างั้นแต่งอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียว น, นะเพราะว่าถ้าฟันหลอแล้วอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไโครงสร้างทางหน้าตามันเสียหายไปเขาจะรักษาอยู่แค่นี้ในส่วนอื่นๆ น, นัสุขภาพอื่นๆมันจะอะไรก็ช่างเหอะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่สนใจอยู่เท่าเนี้คือถ้าลงมาแล้วมันจะเหลือแคบลงแม้กระทั่งคนที่สาธยายอาการ32มนสะิบสองนพอในที่สุดหรืออย่างเดียวตอนแรกกับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกบางกล น, นี่มีแต่กระดูกอย่างเดียวแล้วในที่สุด เพราะมันชัดที่สุดนะนะอย่างอื่นก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่อะไรเรียกว่าไม่โล่งอะไรนะพิจารณากระดูกที่สุดเนี่ยดีที่สุดอะไรไงนะผมเนี่ยผมผมรู้สึกว่าจะทันหนักพิจารณากระดูกเชินฟังบางคนก็แล้วแต่นะบางคนก็ผมอย่างเดียวบางคนก็ตะโจอย่างเดียวบางคนก็ฟันอย่างเดียวบางคนกะ็เล็บอย่างเดียวก็แล้วแต่ว่าพื้นฐานจิตมันข้องกับอะไรมาก มันจะพิจารณาสิ่งนั้นะได้มากคือมันถ้าในวัตถุที่คล้องอะนะโดยปกติไม่ค่อยฝืนใช่ไหมไม่ค่อยฝืนจิตที่จะไปคิดถึงสิ่งนั้นแต่มันฝืนว่าทํำยังไงจะคิดถึงวัตถุ น, นั้นโดยที่ไม่มีราคานั่นแหละไอ้ตรงนั้นแหละที่ต้องฝืนต้องกันบาปเป็นอย่างมากเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยนะมันมันชอบสิ่งใดมันจะคลุ่นคิดถึงสิ่งนั้นเนี่ยมากมันคล้องแวะกับสิ่งใดมันก็จะไปไหลไปสู่ วัตถุนั้นอ่ะเป็นส่วนมากมันถ้าจะปล่อยถ้าจะปลดก็ต้องปลดจากสิ่งนั้นนะนะเหมือนกับการจ่ายนี่มันก็ใครมาทวงมากะนะทวงเันหน้ารำคาญก็จ่ายคนนั้นไปก่อน <c oughs> ทีนี้มาดูในกิจแห่งยานทวนอีกครั้งหนึ่งว่าในยะที่สองว่า การที่แสดงทุกขศักดิ์ขึ้นมาเนี่ยนะจะได้ปฏิบะห้ามการปฏิบัติผิดในผลผลคืออะไรผลคืออุปาทานขันห้าใช่ไหมผลคืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นผลของตัญหาหรือสมุทัยเนี่ยนะที่เราทั้งหลายไปวิปลาดว่างามบ้างว่าเที่ยงบ้างว่าสุขบ้างว่าเป็นอัตตาบ้างซึ่งจริงๆก็ ชาราอชาชติชาราและมรณะใช่ไหมแต่เราสําคัญว่าชาติชารามรณะไหมไม่ค่อยนึกกันนะโน่นได้เห็นเทวทูตอาจจะนึกสักครั้งหนึ่งะนะถ้าไม่มีเทวทูตมาปรากฏก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะละวิ ป, ปลาสอะไระนะตอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูเทวทูตจริงก้อนนี้ก็มานั่งตั้งหลายคนะนะั่ะนแหละเอาเทวทูตมาตั้งหลายคนละ อันนี้เรียกว่าห้ามการปฏิบัติผิดในผลเนี่ยนะซึ่งผลก็คือชาติชรามมรณะนะแต่เราตรงมองตรงกันข้ามหมดใช่ั้ยสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกไม่ตายไม่มีแต่เราก็คิดอ้อีกนานอีกนานอีกนา น, น, า น, น, นส่วนห้ามการปฏิบัติผิดในเหตุที่เข้าใจว่าโลกเนี่ยมีมีผู้สร้างเราเนี่ยใครสร้างขึ้นกน็น แล้วแต่ใครก็ยกไปนะแต่ว่าถ้าว่าไปจริงๆก็คือตันหานั่นแหละเป็นตัวสร้างตันหาในรูปสร้างอะไรสร้างตาตันหาในเสียงสร้างหูตันหาในจมูกในกลิ่นเลยนะในกลิ่นสร้างจมูกตันหาในรสสร้างลิ้นวันนี้จะได้อาลิกกโนโนนโน้นกี่อันเนาะก็ถ้าถ้าแบบคนมีฐานะหน่อยนะถ้าว่ารวมรวมเนี่ยอาหารเนี่ยจะต้องพอใจใช่มตึงสั่งตึงสั่งทาน แต่ถ้าเป็นแบบชั้นล่างๆเลยอาจจะเรียกว่าจําทานเพราะว่ามันมีอยู่เท่านั้นนะ น, นะก็ต้องเลือกไม่ได้แต่ถ้าว่าโดยรวมๆถ้าพอเลือกได้นะ่จะเลือกในวัตถุแห่งตันหาก่อนลนะ่ะนั้นไอตัวนั้นแหละเรียกว่าไปหาลิ้นแล้วได้เวลาไปหาลิ้นแล้วนะเมืม่อเย็นนี้กลับจากเรียนเนี่ยนะทําไม่ได้รักษาโบสถก็ไปหาลิ้นต่อทัอ้งรากษตันหาเป็นตัว สร้างลิ้นพันะถ้าจะละจริงๆก็ต้องหรือถ้าจะกําจัดจริงๆก็ต้องกําจัดที่เหตุของลิ้นคือตันหาในรถเนี่ยนะตันหาในรถไอ้คิดยังไงจึงจะจึงจะเบื่อหน่ายในรถแต่ไม่ใช่มีโทสะในรถนะนั่นไม่มได้ก็ต้องมีโทสะก่ก็ท่านบอกว่าบริโภคเนื้อบดเนี่ยนะบริโภคเนื้อบดอะไรหยอดน้ำมันหยอดเปล่าเกลียนเนืไมนี่ก็เติมน้ำมันเครื่องอะนะ นี่มาดูที่พระองค์แสดงถึงนิโรศรนี่นะนิโรศรจะนั้นก็ห้ามการปฏิบัติผิดในนิโรธเพราะบางลทัทธิอย่างเช่นลทัทธิ阿าระดาบทุตกะดาบทถือว่าอารูปประพรมนี้เป็นเป็นนิพพานของเขาเขาถือว่าเขาบรรลุนิพพานนะอุตกะดาบท์阿拉ระดาบ ท, ท่านเหล่านั้นท่านได้อรูปอรูปสมาบัติท่านคิดว่านั่นคือฌานอ่านั่นคือนิพพา น, นนะเข้าถึงสภาวะแห่งนิพพาน ส่วนพวกเดรัจฉีบางพวกก็ถือว่าน่นแหละภูมิที่เป็นยอดถือว่าเป็นโลก น, นะยอดภูมิของเขาอ่ะอาจจะเช่นอะไรดิพวกอสัญญาสัตร์หรือที่ใดที่หนึ่ง น, นะที่มันนั่นแหละสุดยอดของเขาแล้วละ่ะ น, นะก็สำคัญว่านั่นแหละเป็นนิพพาน ส่วนยานในอริยมรคย่อมห้ามการปฏิบัติผิดในอุบายที่เป็นไปด้วยมิจฉามรคอันตางโดยการ ม, มัสุขาลิการุโยคนะหรืออัตกิลมัฐานุโยคแต่ปฏิบัติด้วยสัมมามรคคือมัชชิมาปฏิปทาก็ห้ามว่าไม่ใช่เพลดิดเพลินในวัตถุการมมากนิพพทาจะเกิดใช่ไหมนิพพทาไม่ได้เกิดจากการไม่ได้เกิดจากการมาตันหาเป็นเหตุ หมายความว่าบริโภคกรารครุ่นคิดถึงกรารเพลดิดเพลินกับกราร ม, มากมา ก, มากแล้วนะแล้ววิปัสนาจะเกิดเองเป็นไหมไม่มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ห้ามกราร ม, มัสุขัลิกานุโยคไม่ใช่นะอินทรีย์สังวรเป็นต้นนี้จําเป็นนะถ้าหากว่าไปปล่อยจิตในวัตถุกามเพลดิดเพลินในวัตถุกามไม่ใช่สมัมมามรักนะเป็นมิจฉามรักแ์มัก็ห้ามแบบกราร ม, มัสุขัลิกานุโยค แต่ก็ไม่ใช่อัตตากิฬามะถานุโยกถ้าจะนั่งนะมันต้องนั่งให้มันได้ขนาดนั้นไหนยมันปวดให้มันเมื่อยให้มันต้องได้ห้าชั่วโมงไงนะนั่งแล้วมันต้องสิบชั่วโมงนั่งทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเนี่ยจะต้องขนาดนั้นนะมันจึงจะบรรลุได้ก็ถือเอาวิริยาบทนั่งเป็นต้นเป็นกฎเกณฑ์นั่งจนขาเคล็ดก็มีนั่งจนสุขภาพเสียหมดก็มีเพราะถือเอาการทรมานตัวเองนี่เป็นเป็นหลัก น, นะ พระรูปหนึ่งท่านมาเล่าวอกผมเนี่ยสมาถานนั่งทั้งคืนผมไปนั่งตรงที่มันเป็นมดกำนังมดมันขึ้นเต็มตัวไปหมดเลยนะถวายชีวิตจะนั่งทั้งคืนมดมันกัดเต็มตัวไปหมดผมนั่งร้องไห้เลยเขาขวานนั่งทั้งคืนน่นนะีนั่งให้หมดกัดอยู่ทั้งคืน <c oughs> อันนี้ก็นี่แหละก็พวกเขาแต่ท่านก็คิดว่าท่านใกล้จะได้ดีอะ่ะเพราะท่านทาอย่างนั้น อันนี้เรียกว่ากลุ่มอัตตากิร่มถานุโยคเป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกนี้อัตตากิร่มัฐานุโยคพวกก็ น, นั่งจนกระดูกเคลื่อนเลยแหละนั่งมากขนาดนั้นเธอตัวบรรลุมรคผลไม่ใช่ตัวอิริยาบถเนี่ยนะไม่ใช่ตัวอิริยาบถนั้นถ้าไม่สัปปายะจริงๆมันจเจริญมรคไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะนวีริย า, าพวกที่จเจริญเหล่านี้จะถือเอาอิริยาบถเป็นเกณฑ์ถือเอาอาหารเป็นเกณฑ์ นะต้องอดอาหารจะได้ทรมานกิเลสมัน น, นะนะก็โอ้พวกนี้ก็มาก็ยอมกินในที่สุดก็เดือดร้อนหมอยออชนไดนะ้ลำบากหลกมรามันเป็นโรคสารพาัดโรคเั้ไหมท่านพวกที่ยิ่งปฏิบัติอุกฤษมากๆหน่อยนะอายุมากๆหน่อยก็เริ่มแนละ้วสะเงาะสะแ ง, งะก็งงกางแง่ ง, งเป็นทีแนละ้วมันก็ห้ามอัตตกิระมะถานุโยวามรแปดไม่ใช่อัตตากิระมฐานโยคนะ แต่ถ้านั่งแบบคนที่นั่งแล้วกุศลเจริญวิปัสสนาเป็นไปได้ดีเนี่ยนะสมถะได้ฌานเป็นต้นนะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกคนที่นั่งแล้วเข้าฌานเป็นต้นได้นะถึงเขาจะนั่ง10บเป็น10บชั่วโมงนะแป๊บเดียวไม่ได้นานอะไรหรอกเนี่ยนะคนที่วิปัสสนาเจริญโงกงามเลยนะถึงจะนั่งอยู่อิรยาบทเดียวจะนั่งอยู่กี่วันท่านไม่เดือดร้อนหรอกเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้ไปมานาสิการใน ทุกขากายญาณวิญญาณเหล่านั้นมโนวิญญาณท่านเป็นไปกับสมถะกับวิปัสนาแต่ถ้าบางพวกนี้ถือความเจ็บปวดนี้เป็นความเป็นการปฏิบัติเนี่ยนะพวกนี้แหละเป็นกลุ่มอัตตกิรมัานุโยคเนี่ยนะเพราะจริงๆแล้วมักมีองค์8นะมักมีองค์8นี้ไม่มีอิริยาบทอยู่ในนั้นสักอันเลยใช่ไหมแต่ว่าสรนเสริญสัมมาวายามะเพียรทางกายและทางจิต พันถ้าแหม น, นอนหลับอยู่ทั้งวันทุกวันเลยนะี่ยแล้วก็มากไปด้วยความหลับอย่างนี้จะเรียกว่าคนเพียนไหมอันนี้อ่ะนะตรงนั้นแหละที่จะห้ามห้ามอยู่ตรงนั้นแหละเพราะไม่ใช่ว่าถีนมิทะครอบงาแล้วเป็นการปฏิบัตินะไม่ใช่พระจักบาลนะครับที่ไม่ยอมนอนหลับเป็นตััตีก้ายงนยหอเป็นไมเจรความทุกข์อ่ะไม่ยอมหลับยอมพระจักุบาลในท่านวิปัสสนาท่านเจริญนะที่ท่านสมาธานอย่างนั้น จนท่า น, านแรกได้ว่าท่านจะเอามักหรือว่าจะเอาตาคือถามกันได้ขนาดนั้นแล้วอ่ะคุยกันรู้เรื่องขนาดนั้น่ะนะว่าจะเอามักไว้หรือจะเอาตาเอาไว้จะรักชีวิตหรือจะรักอริยมรรคเพราะท่านรู้แ่ะถ้าท่านลดความเพียรกว่านั้นเนี่ยการบรรลุมรรคผลของท่านไม่ไม่ไม่ด้ไม่รู้แน่เพราะฉะนั้นความเพียรระดับนั้นใช้อิริยาบทอะไรเป็นไปเท่านั้นมันสัปายะที่สุดต่ อ, อการ บรรลุมรักผลของท่านนะนะท่านท่านตัดสินใจเป็นอย่างดีแล้วท่านเลือกดีแล้วท่านรู้ด้วยตัวของท่านแล้วว่านี่เป็นความเหมาะสมที่สุดดีที่สุดเนี่ยนะที่จะทำให้ท่านบรรลุมรักผลได้เพท่านไม่ได้เน้นไปที่ทรมานกายเพราะตัวที่บรรลุมรักผลในตัวมรักมีองแปดใช่ไหมคือท่านสปายะที่จะเจริญมรักมีองแปดด้วยอิรียบทสาม จะอย่างนี้นะครับคือว่าพวกอัตตากลิมิฐานุโยเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเขาจเจริญนนะ่ะแต่ว่าจิตจิตไม่ได้เป็นกุศลนะครับเข้าใจไว้อย่างนั้นนะสมมติว่าพวกอัญญาดีอธีทั้งหลายเนี่ยหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับ <ừ. S 2> ถ้าจเจริญแล้วกุศลกิจเกิดนะจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ ถ, ถ้าแสดงว่าจเจริญแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นอกุศลเยอะๆเลย เกือพวกที่ประพฤติวัดถือพลถือแคร่งเนี่ยนะมากๆด้วยอํานาจอาตากิเลมะถานุโยคเนี่ยนะกิเลสไม่ได้ลดลงนะที่ที่มากคือมานะเนี่ยมากขึ้นนี่นะเห็นชัดเลยว่าไม่มีใครทําได้เหมือนเราเนี่ยนะพวกนี้จะเป็นตรงนั้นเนี่ยมากนะยังมานะให้กําเริบเนี่ยนี่มากพวกนี้จะยิ่งถือตัวมากเลยนะพวกพวกที่ยิ่งแบบถือแคร่งได้มากขนาดไหนเนี่ยพวกนี้จะถือตัวมากมาก มัน อ, อัตกิระมาะฐานุโยกนั้นตามคำสอนของเราแล้วไม่ใช่ใช่ไหมมรแปดนะเอามรแปดเป็นเกณฑ์คือความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่รูปประคันใช่ไหมอันนี้ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาห้ามตรงนั้นเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นตัวมรมีองค์แปดนี้เกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับวิญญาณขันแต่ถ้าหากว่าอริยมรเกิดขึ้นแล้วรูป ที่มีอารยมรรคเป็นสมุธฐานเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกะจะอยู่อิริยาบทไหนก็อยู่ไปเถอะถ้าถ้ า, ารูปที่มีอารยมรรคเป็นสมุธฐานอ น, นะก็ไม่มีปัญหาละแต่หมายความว่าอย่าไปเจริญแต่อิริยาบทเนี่ยนะถ้าพวกกามะกามสุขาลิการนุโยคพวกนี้เจริญเนื้อหนังมังสาถ้าพวกอัตากิรัมะถานุโยกก็คือพวก ทำให้เนื้อหนังเป็นต้นมันทรมานที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้มันเดือดร้อนที่สุดให้มันลำบากที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงๆก็คือพวกเนี่ยจัดการกับมหาพูดไม่ถูกวิธีพวกหนึ่งถือว่าจะออกจากวัตจัได้ด้วยการบำเรอ ม, มหาพูดใช่ไหมไอ้พวกนี้เป็นอะไรการมัศุขลีการนุโยกพวกที่บอกว่าจะต้องทำให้มหาพูดเดือดร้อนที่สุดทำยังไงผมเนี่ยถอน ใช้เสี้ยนตาณนะถอนถอนทีละอันทีละอันทีละอันนั่งถอนไปเถอะเนี่ยนะเล็บเนี่ยก็ไม่ต้องตัดนะกัมเอาไว้ให้มันงอกให้มันเนี่ยทะลุหลังเลยหรือไม่ก็อวัยวะเพศก็ใช้หินเนี่ยมาถ่วงหลา ย, ลา ย, ลายสิบกิโลเนี่ยมา่วงไปเดี๋ยวมันก็ลดเองแหละวย่างเ้ยหรืออาหารก็อย่าไปกินมันเจ็ดวันกินมื้อเดียวเนี่ยนะเจ็ดวันกินครั้งเดียวกินเท่ า, มาเมล็ดงาก็าพอเงี้ย คือพวกนี้จะพยายามไปทรมานมหาพูทธที่สุดเท่าที่จะทำได้กล่มนี้เรียกว่าอตตากิละมัทนุโยคแต่พวกเจริญวิปัสนาตามมัคคือพวกรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อสศาธารู้อธีนวะนิสรณะของมหาพูทธมันต่างกันอย่างนี้ข้าวยนี่ไม่ใช่ครับข้าวยีข้าวพวกนี้มันตกมาตรฐานไปตั้งนานแล้ว ก็มีโยมสมัยนี้ไม่น้อยเลยนะบอกท่านจะไปเคร่งอะไรมากเคร่งมากตามวินัยมันอั ต, ตกิละมะถานุโยกว่า ง, งั้นเไก็พวกนั้นแหละถวกไม่รู้ลูกศิษย์ใครอ่ะนะมาดูว่าอย่างเช่นถ้าเราเอามหาพูดเป็นเป็นตัวตั้งเนี่ยนะมหาพูดก็คืออะไรปฐวีธาตุยี่สิบอาโป สิบสองเตโชสี่วาโยหพวกกาลมาสุขลลิการุโยกเนี่ยนะพวกนี้เน้นบำรุงทำยังไงเนี่ยมหาพูดจะอยู่ยืนยาวที่สุดนานที่สุดสบายที่สุดมีความสุขที่สุดเนี่ยนะพวกนี้เป็นกลุ่มกาลมาสุขลลิการุโยก พวกกลุ่มอาตาก็บอกว่าทำให้เดือดร้อนที่สุดเนี่ยนะเดือดร้อนที่สุดเช่นเกสาพวกนี้ถอนโลมาก็ถอนนั่งถอนขนถอนคิ้วถอนอะไรก็ถอนมาให้หมดเนี่ยนะโลมาก็เออนัขาเล็บเนี่ยกำเอาไวใ้ให้มันทะลุนู่นแหละทะลุหลังมือนั่นแหละกำเข้าไว้ตะโจก็คูด ทำอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะอาบน้ำล้างวันละสามรอบเจ็ดรอบกี่รอบก็ว่าไปเนี่ยนะพวกนี้จะเป็นกลุ่มอัตตะกิละมัานุโยกเนี่ยนะส่วนมัชิมาปฏิปทาคือรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อัาธะรู้อาทีนวะรู้นิสรณะของมหาพูธอันนั้นเป็นมัชิมาปฏิปทาตรงนี้ นะตัวมัชชิมาเนี่ยนะโทนอีกครั้งหนึ่งนะพวกที่รู้ความเกิดความดับอัศธาอาทีนวะนิสระ น, นะพวกนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา น, นะมหาพูดคืออะไรมาพูดก็คือมหาพูด น, นะนะมาพูดก็คือมหาพูดไม่ใช่ใครหนนะมาพูดเกิดจากอะไรก็มาพูดจะเกิดเกิ ด, ด้วยาการเท่าไหร่ เกิดด้วยอาการห้าหมาพูดจะดับดับด้วยอาการเท่าไหร่อาการห้าอะไรเป็นอสสาธฆของมหาพูดอร่อยไหมอาหารอะไรยไหมนะสุขสมนัดใดอาศัยมหมาพูดเช่นนอนบิดซ้ายนอนบิดขวาก็มีความสุขดีเหมือนกันอย่างเง้ยนะอาบน้ําแต่งตัวเป็นต้นเนี่ยนะเสยผมหวีผมมีความสุขพวกเนี้ทั้งหลายแหละเนี่ยกลุมนี้แหละเป็นอสสาธะของผมของเล็บของฟันก็ว่าไป แล้วอาทีนวะล่ะเกษาผมงอกบอกว่าตัวเท่าผมชูสีสูดได้ยังสวดได้แล้วนะก็มีนะบทตสวดกับเกสาผมงอกบอกว่าตัวเท่าเขาก็มีบทสวดพวกนั้นอยู่เหมือนกันอั้นพวกที่รู้เหตุเกิดเกิดโดยการหักดับโดยอาการห้าอนะอาสาท่นน า, ธ า, ธาก็คือสุคสมานัตอันใดอาศัยมหาพูดเหล่านี้เกิดเรียกว่า อสาทะอาทีนวะปทวีเที่ยงหรือไม่เที่ยงอโปเตโชวาโยเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เท um ี่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นว่านั่นเรานั่นของเราฉนั้นอาการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของท่าสีนั่นแหละเป็นโทษของท่าสีการตัดฉันทราค่าในท่าสีได้นั่นแหละเป็นนิสรณะเพราะนั่นแหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทา เป็นมัชชิมาปฏิปาทาทีนี้ตัวมัชชิมาปฏิปทานเน้นตัวปัญญาเป็นเกณฑ์เน้นตัวปัญญาเป็นเกณฑ์ก่อนศีลผู้ที่รักษาศีลเนี่ยห้ามการมสุขขาลิกานุโยกผู้ที่อบรมสมถะพวกนี้จะห้ามอัตตกิละมะัฐานุโยกเห็นไหมด้วยอนุภาพของสมถะเนี่ยห้ามอัตตกิละมัฐานุโยค <c oughs> ก็เจริญเนี่ยพวกเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกสิณเป็นต้นให้ได้หรือกายคตาสติหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถอะอันนั้นเป็นการห้ามอัตตะกิลามัานุโยคเพราะไม่ได้ไปทําให้พวกอ่าพวกนี้เดือดร้อนนั้นความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ปทวีอาโปเตโชและวาโยพันธพวกอ่าลัทธิที่เป็นกลุ่มอัตตะกิลามัทานุโยค ก, ก็มีเช่นบริสุทธิ์ เขาถือความบริสุทธิ์อยู่ที่มหาพูดเขาถือความบริสุทธิ์อันนี้ด้วยการกินกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งถือบริสุทธินน์ด้วยการอาบนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็บริสุทธิ์ด้วยการบูชายันเนี่ยนะก็ว่ารวมๆแล้วก็มีอยู่แถวๆเนี่ยถือการกินบ้างถือการอาบบ้างบูชายันบ้างแล้วก็ประพฤติวัดอย่างใดอย่างหนึ่งบ้าง วัดเนี่ยวัดนั้นคืออะไรเช่นทําตัวเรียนแบบหมากาไก่เป็นต้ น, นนะนะแล้วแต่ว่าถ้าใครทําตัวได้เหมือนหมาทุกเรื่องจะพนทุกจะจะเป็นพระอรหันต์จะบริสุทธิ์ได้คือถ้าทําตัวแบบหมาเป็นการใช้บาปเก่าแล้วเราก็อย่าทําบาปใหม่แล้วจะพนทุกนะถ้าทําตัวเหมือนวัวเนี่ยนะทำตัวทุกอย่างให้เหมือนวัวหมดเลยอันนี้เป็นการใช้กรรมเก่า เนี่ยนะวัดอันนี้เพื่อใช้กรรมเก่าแล้วเรานะีไม่ต้องทําแล้วเราก็ไม่ได้ทํากรรมใหม่อะไรใช่ไหมเราก็จะบริสุทธิ์นะก็ฝังขึ้นหนึอย่าง น, นนะมีคนโอ้ยสมัยนี้ก็ยังมีเนี่ยนะหรือพวกนี้ก็เนี่ยอาลงอาบน้ําโอมอะไรคุณนภ า, าเขาบ้างไงบ้างเนี่ย จ, จาได้แต่โอ้โหแล้วก็ดังโบกเวกอยูเท่านั้นแล้วก็ลงโครมอาบน้ํานะเหลือไปลงไปในน้ำนะมีหนอนเต็มไปหมดเลยแม่ท่า คนที่อาบนั้นบริสุทธิ์จริงๆอ่ะนะนอนที่มันยั่วเย่วเย้ยอยูย่ยยยตรงนั้นมันบริสุทธิ์หมดละนะแต่ว่ากลับไม่ใช่เลยฟันถ้าแยกอย่างนี้ไม่ได้นะแยกว่าเกี่ยวกับมหาพูดอย่างไรเป็นการมสุขคลิกานุโยกอย่างไรเป็นอัตตากิฬะมัานุโยกอะไรเป็นมัชิีมาปฏิปทาถ้าแยกอย่างนี้ไม่ออกนะโอ้ย ไม่รู้จะไปปฏิบัติตรงไหนก่อนแล้ยังรักษาศีลอยอมทรมานกายเพ่รักษาศีลเลยครับเป็นยังไงคอย่างภาษาดีบุญเนี่ยเพราะล่ะท้องไม่ไม่ได้นข้าวคุยกับคุณมนมีไม่รู้เรื่องนะขันข้าวันยอมันะกรักษาศีลปวดท้องย้านั่นเป็นอัตตาหรือเปล่าใช่ไหมไมใช่หรอกศีลเนี่ยห้ามกามมาสุขลีการนโยกันนะ แต่เชื่อไหมว่าภาษาริบทเนี่ยนะถ้าถ้าแบบเราแบบพูดแบบตามนะเพราะท่านท่านไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องนั่นแหละท่านเลยบรรลุไปแล้วเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องก็เลยเฝ้าปากท้องต่อไปเาไงก็เหตุผลเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่จะการมสุขาริการุโยคคืออะไรคือบำเรอมหาพูด อันนั้เริ่มไล่เลยนะศีลข้ออย่างเช่นข้ออะไรอธินนาธานก็สแสวงหามหาพูดมามาบำเรอมหาพูดกาเมสุมิจฉาจารก็บำเรอมหาพูดเนี่ยนะมันพวกพวกศีลทั่วๆไปนี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมหาพูดสะส่วนใหญ่ศีลเนี่ยมาในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยศีเกี่ยวกับพฤติกรรมเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมหาพูดคิดว่าทําอย่างนั้นแล้วจะได้ความสุขจากมหาพูดพวกที่สแสวงหาความสุขจากมหาพูดนั่นแหละเรียกว่าทุศี จริงๆอย่างเช่นฆ่าสัตว์บางส่วนก็คือเพื่ออาหารใช่ไหมถ้าฆ่าเพื่ออาหารก็เพื่อบำรุงมหาพูดหรือเราฆ่าคนอื่นก็เพราะคนอื่นมันจะเบียดเบียนมหาพูดอภายในนี่แหละรักษามหาพูดภายในโดยการทําลายมหาพูดอย่างอื่นทําทุจริตไปรักไปขโมยไปปล้นก็เพื่อมาบำเรอมหาพูดมุสาวาสก็เพื่อสนองมหาพูดนั่นแหละดื่มสุราก็ดื่มมหาพูดนั่นแหละมือเย็นนันก็ มื้อเย็นก็บำเรอมื้อบำเรอมหาพูดบำเรอวะตะัตเตจแล้วอันนี้เป็นกลม่มศีลเนี่ยจะมาห้ามพวกนี้ทั้งหมดว่าอย่าไปบำรุงบำเรอมากนะเอาให้พอดีพอดีพอดีนี้เท่าไหร่ศีลแปดนะพอดีไม่ได้แปดก็เหลือห้าก็ยังดีถ้า ต, ต่ำกว่าห้านี่ยอบายยังรักษาไม่ได้เลยนะเหมือนนะ <laughs> มาตรฐานตกไปนานแล้วแล้วถ้าสมาธิห้าม การอัตตากิริยามัธยโยกเนี่ยนะคือถ้าลำพังศีลจริงๆเนี่ยนะเช่นเหมือนกับว่าอดมือเย็นเนี่ยนะแล้วไม่เจริญสมถะอะไรเลยนะแล้วมันหิวเนี่ยทํำยังไงมันคิดถึงอะไรอ่ะท้องก็ปวดคิดถึงแต่ข้าวสมัยบวชแรกๆเนะของมาฝันฉันข้าวทุกเกือบทุกคืนเลยแหละเวลาฝันก็ฝันว่าเขาไปฉันตามที่ต่างๆบ้างใบอาหารนู่นอาหารที่นี่ฝันฉันฝันฉันแต่ข้าวอ่ะ ถ้าแสดงว่ามันหิวอ่ะนะที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้เจริญกรรมธานมเนี่ยรู้เลยแหละเพราะไม่ได้เจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นต้นฝันฉันอย่างเดียวทันทาเพื่อที่อดข้าวเย็นเป็นต้นเนี่ยนะโดยรักษาศีลแปดถ้าไม่เจริญสมถะเนี่ยนะมันจะโหยขนาดไหนมันมองไปมันจะเหมือนการทรมานตนเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นแหละมาหล่อเลี้ยงด้วยสมถะแต่สมถะอย่างเดียวก็ไม่พอต้องเอามาหาพูดนะั่นแหละมาทํา ปริญญาเนะมารอบพิจารณารอบรู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาพูทเพราะว่าการปฏิบัติธรรมที่บริสุทธ์ก็คือการสลัดออกจากมหาพูทใ ด, ดโดยเด็ดขาดอารหัตตมักนะจึงนิสรณะมหาพูทได้อย่างดีถ้าไม่ถึงอรหัตตมักนะสลัดออกจากมหาพูทธยังไม่ได้นใน ยานยานในมัคคยานเนี่ยนะห้ามการมสุขาริการุโยกห้ามอัตตกิรมาฐานุโยกให้ปฏิบัติอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาเพราะมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดปัญญาเกิดยานเกิดจากสุเกิดวิชาเกิดแสงสว่างรู้ว่านี้ น, นะทุกหรือว่ารู้ว่านี้ทุกคือมหาพูดแต่คือตัวทุกขนี้เหตุเกิดของ มหาพูนี้อาสาท่ของมหาพูดนี้อาทีนวะนี้นิสรณะของมหาพูดมันสามารถที่จะรู้เหตุเกิดความดับ น, นะจนกว่าจะแทงตลอดมหาพูดโดยอริยสัจได้นั่นแหละจึงจะเป็นมัชชิมาปฏิปทาะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับมหาพูดแล้วแยกแยะอะไรเป็นอตตากิละมัทานุโยกอะไรเป็นการมสุขาลิการุโยกอะไรเป็นมัชชิมาปฏิปทาได้ก็เข้าใจว่าการปฏิบัติไม่น่าจะมีปัญหา แยกให้ออกกันแล้วกันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะ